บทที่71พอพรพระพุทธเจ้าเหลือเวลาอีกเดือนเดียวก็จะถึงวันเกิดสมภารวัดป่ามะม่วงท่านรอคอยโอกาสนี้มานานถึงยี่สิบปีเพราะหลวงพ่อในป่าบอกไว้เมื่อครั้งกระโน้นว่ารอให้อายุสี่้าค่อยพบกันวันเกิดปีนี้จึงมีความหมายสำหรับท่านยิ่งนักเพราะจะได้รู้ว่า หลวงพ่อในป่าท่านเป็นใครมาจากไหนโยมผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เขายังเป็นเด็กเลี้ยงควายอายุเจ็ดแดขวบหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็รูปร่างหน้าตาและท่าทางอย่างนี้กระทั่งเขาอายุ84ปีท่านก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมและที่น่าแปลกก็คือผมของท่านดําสนิทไม่มีงอกแม้เส้นเดียว ท่านจะยังคงรูปร่างหน้าตาเหมือนตอนเราพบหรือเปล่านะและโยมผู้ใหญ่บ้านคนนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วถ้าอยู่เขาคงย่างเข้าปีที่ร้อยห้าอาจจะเดินไม่ไหวแล้วกระมังภิกษุวัยสหย่อนๆย่อคิดคำนึงอยู่ผู้เดียวหลวงพ่อครับผมมีเรื่องจะเรียนให้ทราบ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 ผมกำลังนั่งกรรมาฐานอยู่ครับอยู่ๆก็แวบขึ้นมาเองผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันภิกษุนมตอบได้ครบทุกคำถามจะเอาอย่างนั้นหรือจะสร้างกี่องค์ละ่ะคิดว่าห1 6้องส์องครับทำไมถึงต้องเป็นห1 6้สิหล่ะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมสงสัยเลขท้ายสามตัวงวดนี้ จะออกหกร้อยสิบหกระมังท่านพูดเล่นเล่นแล้วไหลานาเป็นพระเป็นเจ้ายังฝักฝ่ายเลขทงเลขท้ายประเดี๋ยวก็เข้าตำราบอกเลขบอกหวยหวังรวยทางลัฐท่านพละครูติง่งพระก็อยากรวยเหมือนกันนะครับหลวงพ่อตอนผมอยู่บางกอกผมเห็นพระซื้อลอตเตอรี่จนชิน แรกแรกก็นึกตำหนิตอนหลังๆทำใจได้แล้วเคยซื้อให้เขาบ้างไหมละ่ะเคยคิดเหมือนกันครับแต่ไม่กล้าไม่กล้าทำเพราะกลัวหลวงพ่อจะเสียชื่อเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยละ่ะเกี่ยวใิ่ครับเพราะถ้าผมทำอะไรไม่ดีคนเขาก็จะนึกตำหนิหลวงพ่อว่าเป็นสมพาน์ยังไง ทำไมถึงไม่อบรมพระลูกวัดถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าพระที่เธอเห็นซื้อลอตเตอรี่นั่นน่ะเพราะพวกเขาอยู่วัดที่มีสมพานไม่ดีใช่ไหมท่านพระครูย้อนสมพานนะตัวดีเลยครับหลวงพ่อเพราะที่ผมเห็นนะสมพานซื้อเองลูกวัดไม่มีเงินซื้อหรอกครับมหาบุญพูดเข้าข้างลูกวัดด้วยกัน นันที่เธอไม่ซื้อเพราะไม่มีเงินตังหางแล้วแกล้งพูดกลบเกลื่อนว่ากลัวชันจะเสียชื่อท่านพระครูยังคงรุกเพื่อให้พระลูกวัดจนมุมนั่นเป็นเหตุผลรองครับแต่เหตุผลหลักก็คือผมกลัวหลวงพ่อจะเสียชื่อและอีกอย่างหนึง่งผมคิดของผมเองว่าการที่พระทำอย่างนั้น มันเป็นโลกวัชชะเป็นข้อเสียหายทางโลกเขาติเตียนเพราะหรือว่าไม่เหมาะสมกับสมณสารูปหรือลุงพ่อว่าเหมาะสมผมจะได้ทำบ้างผู้อ่อนวัยกว่ายุ่งยาว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 ในโอกาสที่หลวงพ่ออายุครบ45ปีและอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าผมควรจะนิมนต์ใครบ้างมาทำพิธีพุทธาพิเศษอย่าให้ต้องยุ่งยากขนาดนั้นเลยเพียงเธอกับชั้นสองรูปมานั่งบริกรรมก็พอเราสร้างเพื่อแจกญาติโยมไว้เป็นพุทธานุสติไม่ใช่เพื่อความคลังความศักดิ์สิทธิ์แต่ประการใด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 เป็นที่ที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาแล้วดินที่หลวงพ่อพูดถึงอยู่ไหนครับอยู่ในย่ามฉันเอาใส่ย่ามแล้วก็ลืมไปเลยเธอพูดมาเรื่องสร้างพระทำให้นึกขึ้นได้ประเดี๋ยวฉันจะมอบให้เธอทั้งผงสมเด็จผงสมเด็จโตและดินที่ฉันนำมาจากสีลังกาท่านลุกขึ้นไปหยิบย่ามสีเขียวมา และหยิบผ้าขาวปูตรงเบื้องหน้าหยิบของอื่นๆออกจากย่ามและจึงเทย่ามเพื่อให้ดินหล่นลงบนผ้าขาวแต่น่าอัศจรรย์ที่สิ่งที่ล่วงลงมาบนผืนผ้าขาวกลับไม่ใช่ดินหากเป็นพระาธาตุอ้าวไนกลายเป็นพระาธาตุไปเสียแล้วตอนที่ฉันหยิบมายังเป็นดินอยู่นี่นา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 ผมสันนิษฐานว่าต้องเป็นด้วยเหตุสองประการคือประเทศศรีลังกาต้องเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มหัศจรรย์เพราะดินแดนที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาประทับรอยพระบาทประการที่สองเป็นเพราะบุญบา ร, รมีของหลวงพอ่อถ้าคนอื่นนำมาดินก็อาจจะเป็นดินดั่งเดิมไม่กลายเป็นพระาธาตุไปได้แต่เพราะหลวงพ่อเป็นผู้นำมา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 ผมมั่นใจว่าพระที่สร้างขึ้นมาจะต้องคลังและศักดิ์สิทธิ์แม้เราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นก็ตามพระน่มพูดอย่างมั่นใจเต็มร้อยเอาละเอาละ่ะเธอจะคิดยังไงก็แล้วแต่ฉันว่าเรามาช่วยกันนับดีกว่าว่าพระาธาตุมีกี่องค์แล้วเราก็สร้างพระตามจำนวนพระาธาตุโดยบรรจุพระาธาตุลงในเครื่องแต่ละองค์ เป็นความคิดที่ดีมากครับงั้นผมจะช่วยหลวงพ่อนับท่านจัดแจงแบ่งพระธาตุออกเป็นสองกองและภิกษุสองรูปก็ช่วยกันนับพระธาตุซึ่งมีขนาดโตกว่าหัวเข็มหมุดเล็กน้อยท่านพระครูนับเสร็จก่อนจึงรอพระมหาบุญถึงซึ่งกำลังนับอย่างตั้งอกตั้งใจ ของฉันได้297้อองค์ของเธอได้เท่าไรท่านถามภิกษุหนมนับเสร็จได้มากกว่าของหลวงพ่อครับมากกว่าหน้าเท่าไรผมได้319องค์ครับรวมแล้วได้เท่าไรลองบวกกันดูซิฉันตกคณิตศาสตร์ท่านพูดออกตัวพระมหาบุญคิดเลขในใจอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็พูดด้วยเสียงอันดังว่า ได้ร้อสิบพอดีพอดีน่าอัศจรรย์เหลือเกินอะไรจะอัศจรรย์ถึงปานนี้หลวงพ่อครับนี่ผมฝันไปหรือเปล่าถ้าไม่เหตุการ์มันประจวบกันเรากับปาฏิหาริย์ถ้ามีคนมาเล่าผมจะไม่เชื่อเด็ดขาดแต่เพราะผมประจักษ์ด้วยตนเองไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่ายังไง เอาละเอาละไม่ต้องสาธยายเธอไปจัด ก, การเตรียมของเธอที่ตั้งใจก็แล้วกันแล้ววันไหนจะให้มานั่งบริกรรมก็บอกฉันมอบหมายให้เธอทำทั้งหมดเดี๋ยวฉันจะปั่นผงสมเด็จโตให้ท่านจัดการนำสิ่งที่หลงปูนาควัดระคังให้ไว้เมื่อสิบปีก่อนออกมาแบ่งใส่โถเบญจรง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 ท่านไม่ได้ให้ไปทั้งหมดด้วยรู้ว่าอนาคตจะต้องใช้ในโอกาสต่างๆอีกหลายครั้งและสิ่งนี้จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วท่านคงเป็นผู้มีบุญบารมีดังที่พระมหาบุญพูดถึงไม่ได้สิ่งนี้ไว้ครอบครองการได้พบสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่ประเทศศรีลังกาก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าท่านมีบุญ เพราะยังไม่เคยปรากฏว่าผู้ใดได้พบมาก่อนและแม้สมเด็จจะให้เหตุผลว่าท่านตามมหาแพรมาทว่าหลวงพ่อแพรก็ยังไม่เคยได้พบสมเด็จดังที่ท่านพระครูได้พบนะับเป็นเรื่องมหัศจรรย์และเป็นปัจตจังที่ไม่อาจพิสูจน์ให้ผู้อื่นเห็นได้แต่ถึงท่านจะมีบุญบา ร, รมีสักเพียงใดก็ยังไม่พ้น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 แม้พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นยอดของโลกก็ยังมีคนริษยาในที่สุดคนเหล่านั้นก็มีอันต้องแพ้ภัยตัวเองคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านพระครูก็เช่นกันวันหนึ่งพวกเขาจะต้องแพ้ภัยตัวเองจนได้พระเครื่องจํานวน616องค์ที่มหาบุญสร้างเพื่อให้ท่านพระครูแจกญาติโยมนั้นมีลักษณะ แปลกกว่าพระเครื่องทั่วไปกล่าวคือสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งสีน้ำตาลอมทองสูงสองนิ้วสองกระเบียดกว้างหนึ่งนิ้วสองกระเบียดและหนาหนึ่งกระเบียดด้านหน้าพระเจดีย์ทรงอดควา่ายอดแหลมตรงกลางพระเจดีย์มีพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร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 จะต้องมีขาดตกบกพร่องไม่มากก็น้อยนักประพันธ์เขายังถือคติงานเขียนที่สมบูรณ์ที่สุดคืองานเขียนที่ยังไม่ได้เขียนเมื่อไรที่เขียนออกมามันก็จะต้องมีจุดบกพร่องไม่มากก็น้อยหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับก็คงเห็นด้วยนั่นแหละอ๋อยังมีอีกจุดหนึ่งที่บกพร่องคือคำว่าวิสาขาบูชา ที่ถูกต้องไม่มีสระอะเพราะเป็นคาสมาธแต่ไม่เป็นไรหรอกนะก็อย่างที่เธอพูดมานั่นแหละการทำงานทุกอย่างต้องมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดบ้างคนที่ทำไม่ผิดเลยก็คือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าไปแล้วพระที่เธอสร้างก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะ ขอบใจมากที่อุตส่าห์นึกถึงฉันขอให้มีความสุขความเจริญและได้บรรลุมรคผลฒิผ่านเร็วสมภารอวยใจให้พรพระลูกวัดหลวงพ่อน่าจะให้พรผมให้ศึกโดยเร็วมากกว่า ท่านพูดไปอย่างนั้นเองนับตั้งแต่มีรูปร่างใกล้เคียงกับพระสังฆายท่านก็ไม่คิดที่จะศึกอีกฉันไม่ใช่พระยุกใหม่ที่จะได้ให้พรทรงเดชฉันจะให้พรใครก็ต้องดูเสียก่อนว่าเขาจะได้ตามนั้นจริงหรือไม่ถ้าไม่ได้ฉันก็ไม่ให้ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นพูดเท็จว่าโดยหลักการแล้ว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 ทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเห็นไหมว่าพรจะเกิดได้ต้องทำใช่ว่าได้มาเฉยเมื่อไรเสด็จพ่อของพวกเราท่านลึกซึ้งมากคำสอนของพระองค์ไม่มีส่วนไหนที่จะโต้แย้งได้เลย เพราะเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในธรรมชาติพระองค์ทรงเป็นผู้ค้นพบและนำมาสั่งสอนชาวโลกใครปฏิบัติตามนั้นก็จะได้รับผลด้วยตัวของเขาเองเอาละทีนี้ก็ไปจัดแจงเรื่องงานทำบุญในวันพรุ่งนี้ดูเรื่องข้าวปลาอาหารให้พร้อมพงจามีญาติโยมมากันมากกว่าทุกครั้ง สมัยที่ฉันทุดงไปจังหวัดขอนแก่นไปพบพระในป่าท่านสอนว่าสติปัฏฐานสี่ระลึกชาติได้รู้กฎแห่งกรรมเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ตอนนั้นฉันนั้นยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ต่อเมื่อปฏิบัติได้ถึงรู้ว่าเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อในป่าท่านพูดไว้ทุกประการฉันจะนำวิชานี้แหละ ไปสอนญาติโยมเขาเพราะเป็นของจริงแต่พูดก็พูดเธอคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยชอบของจริงกันสักเท่าไหร่ชอบแต่ของปลอมก็เลยถูกหลอกไปทำตามกันส่วนฉันไม่ชอบหลอกใครเรองจาใบหวยจะให้ปลุกเสกอะไรฉันไม่ทำให้ต้องอายผ้าเหลืองปลอบเปล่ า, เ, ลาเอาละเธอไปได้ ตกลงหลงพ่อไม่อนุญาตให้ผมสึกจริงๆหระอครับพระมหาบุญเกิดความรู้สึกอยากจะยั่วท่านพระครูจึงพูดว่าเราไว้สึกพร้อมผมท่านรู้ว่าพระลูกวัดยั่วท่านยั่วไปอย่างนั้นเองพระหน่จึงกราบสามครั้งแล้วรีบลงไปโดยเร็ววันรุ่งขึ้นมีญาติโยมและศิษยานุสิ์ มาร่วมแสดงมุทิตาสักการะในงานทําบุญคล้ายวันเกิดของพระครูภาวนาวิสุทธ์จำนวนเกินพันที่รีบมาแล้วก็รีบกลับมีจำนวนครึ่งต่อครึ่งครั้นถึงเวลาที่ท่านแจกพระจึงมีผู้อยู่รับ616้คนพอดิบพอดีเป็นอันว่าพระเครื่องที่มหาบุญสร้างขึ้นถวายท่านพระครูถูกแจกจ่ายไปหมด ไม่มีเหลือแม้แต่องค์เดียวแม้พระมหาบุญเองก็ไม่ได้เก็บไว้เป็นอนุสร์นายแดงกับนายขาวผู้เป็นลูกศิษย์ก้นกุติก็ยังไม่ได้กับพระมหาบุญท่านพระครูพูดว่าเธอไม่ได้เก็บไว้ก็ดีแล้วเพราะสมณะย่อมไม่สะสมวัตถุถึงแม้อย่างไรเธอก็ได้บุญครบหกร้อย ถ้าเธอเก็บไว้หนึ่งองค์บุญของเธอก็จะเหลือห1 5้อสิบห้าแต่กับฝาแฝดสองพี่น้องท่านกลับพูดว่าฉันอธิษฐานไว้ว่าขอให้มีคนดีมีปัญญาเท่านั้นมารับแจกส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณ์นี้ขอจงอย่าได้เพราะของดีจะต้องอยู่กับคนดีถึงจะคู่ควรกัน หลวงพ่อไม่ให้แล้วยังจะมาพูดให้ผมกับน้องต้องช้ำใจอีกหลวงพ่อใจร้ายแฝดพี่ต่อว่าตอขาน